Book 2 82 82สองอดีตการสองแล้วคุณต้องเรียกรถพยาบาลไหม Moes j เอด e อัมบิลอนส์เบ l แล้วคุณต้องเรียกหมอไหมมูสย์ยัยดีด็อกเตอร์เบลแล้วคุณต้องเรียกตำรวจไหมมูสย์ยัยดีพลิซี่เบลคุณมีเบอร์โทรศัพท์ไหมเมื่อกี้ยังมีอยู่เลยค่ะไอทีดีแต่ละโฟนอเมอร์แอคทีท์เด็ดนอยด์เน็ตาด คุณมีที่อยู่ไหมคะเมื่อกี้ยังมีอยู่เลยค่ะเฮต่อเดริดเนวนตคคุณมีแผนที่เมืองไหมคะเมื่อกี้ยังมีอยู่เลยค่ะเฮติริคอร์ดฟนดิสตัดอ็กิดครเขามาตรงเวลาไหม เขามาตรงเวลาไม่ได้ค่ะเฮ้ท้ายเป็นกุเฮ้คุณนีเปใจนี่เขาหาทางพบไหมเขาหาทางไม่พบค่ะเฮ้ท้าดีว่เกิดฝนฮคุณนี่ดีวกดฝนีเขาเข้าใจคุณไหมเขาไม่เข้าใจดิฉันค่ะเฮทายยาวฟื้นตอน อคม่ฟังซ่ทำไมคุณมาตรงเวลาไม่ได้คะวรมคุ่นเปิดใจสิทำไมคุณหาทางไม่พบคะวรมคุณ่นวฟันนี้ทำไมคุณไม่เข้าใจเขาคะวอรมคุญ่นอุ้ฟังซ่อนี ดิฉันมาตรงเวลาไม่ได้เพราะว่าไม่มีรถเมย์ดิฉันหาทางไม่พบเพราะว่าไม่มีแผนที่เมือถื อ, ด, อ ด, ดิฉันไม่เข้าใจเขาเพราะว่าดนตรีดังเกินไป แอคโ n นม์นี่ s ังสตานี่ฟัน d ีเมื่อสิกว่าสเต r ์ฮาร์ตดิฉันต้องนั่งรถแท็กซี่แอคมูสอะฮีร์มูเตอร์เนียมดิฉันต้องซื้อแผนที่เมืองแอคมูสอะกอร์ตฟันดิสตัดกูบดิฉันต้องปิดวิทยุอ ด i รัติย o ออฟสก๊อ